อันเตวสิกไม่ขอเขมาสมัยนั้นอันเตวสิกทั้งหลายถูกประนามแล้วก็ยังไม่ยอมขอเขมาอาจารย์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อันเตวาสิก ข, ขอเขมาอาจารย์อันเตวสิกทั้งหลายก็ยังไม่ยอมขอเขมาอาจารย์อยู่เช่นเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกถูกประนามแล้วจะไม่ขอเข้ามาอาจารย์ไม่ได้รูปใดไม่ขอเข้ามาต้องอาบัตทุกกฎ